ข้อความในมหานิเทศเล่มหกสิบหกหน้าห้าร้อยสามสิบสาริปุตตะสุตตะนิเทศที่สิบหกมหานิเทศสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรสุดท้ายนี่นะท่านภาษาริบุตรกล่าวดังนี้ว่าพระศาสดาผู้มีพระกระแสเสียงอันไพเราะเสด็จจากพบดีสุดมาสู่ความเป็นพระคณาจารย์อย่างนี้ ก่อนแต่นี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยทั้งไม่เคยได้ยินต่อใครๆเลยก็กล่าวถึงพระผู้มีพระภาคของเราเนี่ยพระองค์เนี่ยมีพระกระแสเ ส, สียงที่ไพเราะพระองค์นั้นอะ่ะชาติก่อนนั่นน้นอ่ะก็คือพระองค์อยู่ที่ดุสิตนะจุติจากดุสิตมาเป็นคณอาจารย์มาเป็นคณะอาจารย์ซึ่งท่านบอกว่าก่อนจากก่อนแต่นี้ไปเนี่ยท่านไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินเลย ว่าบุคคลเช่นนี้มีอยู่นะท่านไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินซึ่งท่านนิเทศว่าก่อนแต่นี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยความว่าในการก่อนแต่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้าไม่เคยเห็นด้วยจักษุนี้ด้วยอัตภาพนี้เลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นน่ะนะไม่เคยเห็นพระผูเจ้าแบบนี้อีกเลยคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจาพรรษาทิพย ปันดุกัมพลศิลาอาตณควงไม้ปาริฉัตตะในสวรรค์ชั้นดาวดึงอันมูเทวดาห้อมล้อมเสด็จลงสู่สังกัสรนครโดยบันไดอันสำเร็จด้วยแก้วมณีในถ้ำกลางในการนั้นข้าพเจ้าเว้นการเห็นครั้งนี้ไม่เคยเห็นในการก่อนเลยเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าก่อนแต่นี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยใุการอันนี้พระสารีบุตรกล่าวตอนที่ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงคือในพรรษาที่หกนะนะคือเข้าพรรษาที่เจ็ดเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงยมกะปาติหารที่เมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จจําพรรษาที่ดาวดึงสะเทวโลกแสดงอภิธรรมปีดก น, นะนะโปรดพระพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายพอออกพรรษาพระองค์ก็เสด็จลงที่เมืองสังกัสรนครนนนะ การเสด็จลงของพระองค์นั้นอะ่ะเป็นเป็นที่น่าอัศจรรย์มากภาษาบุทธท่านบอกว่าท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเลย น, นะความน่าอัศจรรย์เช่นนี้เนี่ยนะขณะภาษาบุทธยังอุทานแล้วก็ไม่จำกล่าวถึงบุคคลอื่นคำว่าอายสมาโดยศั์นี้เป็นคำที่กล่าวด้วยความรักเป็นเครื่องกล่าวด้วยความเคารพเป็นเครื่องกล่าวเป็นไปด้วยความเคารพ เป็นคํากล่าวเป็นไปกับด้วยความยำเกรงภาษาริบุตรนั้นเป็นบุคคลที่เขารักเขาเคารพเขายำเกรงมากในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะร้องจากพระผู้มีพระภาคเท่านั้นเองคําว่าสาิบุตรนี้เป็นนามเป็นเครื่องนับเป็นเครื่องหมายเป็นบัญญัติเป็นโวหารเป็นชื่อเป็นความตั้งชื่อเป็นความทรงชื่อเป็นเครื่องกล่าวถึงเป็นเครื่องแสดงความหมาย เป็นเครื่องกล่าวเฉพาะแห่งพระเถระนั้นอันนี้ก็เป็นชื่อที่บัญญัติขึ้นนะคำว่าสารีบุตรก็คือบุตรของนางสารีนางสารีเนี่ยคือเป็นคนมีสาระว่างั้นเถอะชื่อว่าสารีก็คือผู้มีสาระนางนี่เป็นคนสวยมากเรียกว่ารูปปารีแล้วนางเนี่ยร่ารวยมากนะเรียกว่ามีสาระคือความร่ำรวยมีสาระคือโภคะแล้วก็เกิดในตระกูลสูงเลยเรียกว่านางสารีพรนบุตรของนางสารีก็ชื่อว่าสารีบุตร นะก็คือผู้มีสาระแต่ชื่อจริงๆของท่านเนี่ยเขาก็เรียกตามชื่อหมู่บ้านว่าอุปติสะเนี่ยนะอุปติสะแต่ตอนหลังก็เรียกชื่อตามแม่ว่าสารีบุตรตอนหลังก็มาบรรลุเป็นธาอหันเป็นอัครสาวกข้างขวาท่านก็เป็นธรรมเสนาบดีเนี่ยนะว่าสัตธรรมเสนาบดีของพระผู้มีพระภาคพันภาษารีบุตรท่านบอกว่าท่าน ไม่เคยเห็นเนี่ยนะไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินมาจากใครๆเลยท่านไม่เคยได้ยินมาจากไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครัสบันปะชิตเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยนะที่บอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยเห็นผู้ที่มีความน่าอัศจรรย์ขนาดนี้เนี่ยนะคำว่าพระาศาสดาผู้มีพระกระแสเสียงอันไพเราะอย่างนี้ความว่าพระาศาสดามีพระกระแสเสียงเป็นที่ตั้งแห่งความรัก มีพระกระแสะเสียงดูดดืม่มพระไทยมีพระกระแสะเสียงดังสเสียงนกกระเวกเนี่ยราไม่ได้ยินเสียงของพระองค์เลยจินตนาการไม่ถูกว่าจะเสียงเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความรักดูดดื่มใจสำเนียงเสนะ่หฟังไม่รู้เบื่อเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ว่าพอจะจินตนาการว่าเสียงของพระองค์เนี่ยประกอบด้วยองค์8ปประการ เสียงองค์แปดเนี่ยที่เปล่งออกจากพระโอษฐแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็คือหนึ่งเป็นเสียงไม่ขัดข้องคิดว่าเป็นเสียงไม่แหบไม่เครือไม่สะดุดเนี่ ย, เ, ยเป็นเสียงที่ไม่ขัดข้องจริงๆก็สองก็บอกเป็นเสียงที่ผู้ฟังเนี่ยทราบได้ง่ายทราบง่ายก็คือแสดงว่าคําพูดนั้นชัดเจนมากชัดเจนแจ่มใสไม่ฮะอะไรนะพูดหม้ซี่พูดไม่ค่อยชัดนี้ไม่มี มีแต่รู้ง่ายเลยนะฟังแล้วรู้ ท, ทันทีข้อสามบอกว่าเป็นเสียงที่ไพเราะไพเราะก็เป็นคําอ่อนหวานนะนะเป็นน้ําเสียงที่อ่อนหวานมากสี่เป็นเสียงที่น่าฟังคือฟังแล้วสนอห้าก็เป็นเสียงกลมกลม่อมคือไม่พร่านะถ้าเสียงพร่าเหมือนกับมันเหมือนกับดังมากมันก็เสียงมันพร่าเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่เสียงของพระองค์เนี่ยกลมกลม่อมหก็เป็นเสียงที่ไม่แป่งคือไม่พร่า เเป็นเสียงลึกเนี่ยนะลึกซึ้งอ่ะ น, นี้แปดก็เป็นเสียงที่ก้องกลางวานเนี่ยพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างนั้นเมื่อใดพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะทรงยังบริษัทให้ทราบด้วยเสียงเมื่อนั้นเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมไม่ออกไปนอกบริษัทสมมุติถ้าฟังร้อยคนเนี่ยนะเสียงมันจะรัศมีอยู่แค่ร้อยจะไม่เลยตรงนั้นออกไปเนี่ยนะ แต่นี้ถ้ามีผู้ฟังเท่าใดเนี่ยนะเสียงพระพุทธเจ้าจะไปหยุดแค่บุรุษสุดท้ายนะผู้ฟังคนสุดท้ายจะไม่มีการกระจายจะไม่มีเสียหายแม้แต่นิดเดียวยนะี่นะเสียงของพระองค์นี่ไม่ออกนอกบริษัทก็เสียงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีเสียงเหมือนเสียงพรมนี่นะเสียงลึกเป็นต้นเนี่ยนะมีองค์แปดคือไม่ขัดรู้ได้ง่ายไพเราะหน้าฟังกลมกลมไม่แปลงลึกซึ่งกลางวานเนี่ยเสียงพรมเนี่ยเป็นอย่างนี้ แล้วก็มีสำเนียงที่เสนอเหมือนเสียงนกกระเวกเนี่ยนะคือสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเสียงนกกระเวกนี่มันเป็นยังไงมันก็บลือต่อเนื่องกันน่ะนะเขาก็บอกว่าเสียงแคนเนี่ยคือจําลองมาจากเสียงนกกระเวกคืดีนะเสียงแคนเสียงแคนแดนีสานเนี่ยเสียงแคนเนี่ยนันคือคือการประยุกต์เขาว่าประยุกต์มาจากเสียงนกกระเวกเนี่ยนะคือเสียงแคนเนี่ยถ้าฟังแล้วนะมันก็ก็เสนออีกแนวหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้น จึงชื่อว่ามีพระกระแสเสียงอันไพเราะเนี่ยนะก็ผู้ที่ติดตามแม้ฟังเสียงแห่งพระผู้มีพระภาคก็มีความสุขแล้วเนี่ยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงเห็นพระรูปด้วยนะเห็นฟังพระเสียงนี่ก็มีบุญมากแล้วอัน้นโสตวิญญาณของผู้ใดที่มีบุญได้ยินเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้นั้นก็สายทำบุญไม่มากเนาของเราเนี่บุญน้อยเนี่ยนะเลยโสตวิญญาณก็ไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ จะขูวิญญาณก็ไม่เห็นเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังพอมันมีมโนวิญญาณที่ศึกษาพระธรรมคําสอ น, น, นก็เอามโนวิญญาณเข้าไว้ก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้นําพวกนําพวกก็คือาศาสดาเนี่ยนะพระาศาสดาเนี่ยแปลว่าผู้นําพวกผู้นําพวกชื่อว่ า, าศาสดาประมาณเหมือนว่าบุคคลผู้นําพวกย่อมนําพวกให้ข้ามทางกันดา n คือให้ข้ามขึ้นข้ามออก ข้ามพ้นซึ่งทางกันดานจากโจรกันดานจากสัตว์ไ ร, ร้กันดานที่อดอยากอาหารเนี่ยนะกันดานไม่มีน้ำให้ถึงผูมีภาคอันกเกษมเราต้องเปรียบแบบโบราณยนะโบราณเนี่ ย, นนยใครที่มีความสามารถชักชวนพาคนให้ข้ามทางกันดานไปค้าขายณนะถิ่นอื่นๆได้นี่ก็ถือว่าเก่งมา ก, กนะฉันใดเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นำออกข้ามออกข้ามพ้นซึ่งความกันดานจากชอต นะคือรกความรกชัดคือชาติความไม่มีประโยชน์เนี่ยนะหรือชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้ามยากพระองค์เนี่ยทาให้ข้ามจากชาติข้ามจากชาติไหนบ้างนะถ้าประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ที่พระองค์แนะนำเนี่ยพระองค์เนี่พานนําจากชาติคือการเกิดในนรกนําออกจากชาติคือการเปิดเกิดในเตรดในสุอสุรกายเกิดในสัตว์เดรัจฉานทุกหมู่เหล่าพระองค์แนี่ยนำข้ามออกจากวัตฏะในภูมิสามนะนั่นพระองค์เนี่ยเป็นผู้นําพวกออกจากชาติ นำออกจากพยาธิเนี่ยนะนำออกจากความเจ็บป่วยนั้นเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่เมื่อไม่แก่ก็ไม่ตายนั้นพระองค์เนี่ยพาข้ามชาติข้ามพยาธิข้ามมรณะมันเมื่อข้ามความเกิดความเจ็บความตายก็ไม่ต้องโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตนะก็คือพระองค์พาข้ามจากวัตะในภูมิสามแล้วพระองค์ก็พาข้ามจาก ความกันดานคือราคะความกันดานคือโทสะความกันดานคือโมหะความกันดานคือมานะทิฏฐิกิเลสทูจริศแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความกันดานจริงๆนะกันดานก็เหมือนกับว่าแห้งแล้งอ่ะนะเช่นกันดานน้ากับแห้งแล้งหรือที่ที่มีภัยรอบข้างอันราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทูจริตเนี่ยมันเป็นความกันดานมากเลยนะหรือความรกชัดโปรองเนี่ยพาให้พ้นจากที่รกชัดคือราคะโทสะโมหะมานะ ทิฏกิเลสเนี่ยพระองค์พาข้ามจากวัตตะสรุปว่าข้ามพ้นจากทุกขสัตว์พาข้ามพ้นจากสมุทัยสัตว์ให้ถึงพร้อมซึ่งอ ม, มะตะนิพานอันเป็นส่วนเกษมฉันั้นเหมือนกั น, เ, นนะเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพาข้ามเ อ, อผู้ น, นําพ่วงนะแถวโลกเนี่ยเรียกว่าผู้นําพว่วงหัวหน้าพ่อค้าเป็นต้นพาข้ามจากที่กันดานด้วยน้ำโจน นะกันดานน้ากันดานโจนกันดานพ่อสัตว์ ร, ร้ายหรือว่าที่ไม่มีสัตวนะ์น้าที่ไม่มีน้ําที่อดอยากให้พ้นไปถึงสถานที่เกษมชั้นใดพระองค์นี้ก็พาข้ามพ้นจากวัฏะนะพาข้ามจากวัฏะสามกรรมวัดวิปากวัดกิเลสวัฏข้ามพ้นจากทุกขสัตว์ข้ามพ้นจากสมุทัยสัตว์บรรลุถึงอมะตะนิพานก็เหมือนกันอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นํา ผู้แนะนำผู้นำเนืองๆผู้ให้รู้ดีผู้ให้พินิษ์ผู้เพ่งดูผู้ให้เลื่อมใสแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าผู้นำพวกเนี่ยนะก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้นาแนะนำไปเนี่ยนะก็ถามว่าแนะนำเนี่ยนาแนะนามากขนาดไหนก็พระไตรปิดกทั้งพระไตรปิกเนี่ยนะเห็นว่าเออนั่นะผลงานการแนะนำ มันไม่ใช่แนะนําธรรมดาเป็นการแนะนําเนืองๆแนะนําบ่อยๆแนะนําให้รู้ดีให้รู้จักแพ่งให้รู้จักพินิษฐ์ให้ให้เลื่อมใสเนี่ยนะให้ใจผ่องใสไม่ใช่ว่ายิ่งนํายิ่งเครียดไม่ใช่แต่วิ่งนําแล้วผู้ศึกษาตามผู้ปฏิบัติตามยิ่งมีความสุขมีความพราสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้ น, นนะอรหัตมร ก, ก่อนที่พระองค์จะเกิดยังไม่เกิด พระองค์นี้ทรงยังมักที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมะพนั้ญญามักของพระองค์ก็เกิดขึ้นบรรลุสัพพัญยุตยานแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกมักที่ยังไม่มีใครบอกก็บอกมักให้สาวกทั้งหลายเนี่ยทราบกันภาษารีบุตรก็ได้อรหัตมักพระอนุรุทธะพระมหากัสปะพระอนนทพระมหากัจจายนะพระกิมบิละพระพัทิยะพระโกธิตะท่านเหล่านี้ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยก็ได้อริยมักกัน พระองค์นี้ทราบมัชไม่ว่าทราบมัช ก, ก็คือรู้ทางไม่ว่าจะทางไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรฉานทางมาสู่มนุษย์ทางไปเทวดาทางไปเกิดในพรหมโลกทางเกิดในรูปประพรมหรือทางเพื่อพ้นจากวัฏฏะอันพระองค์นี้ทราบมัชเหล่านั้นรู้แจ้งมัชฉลาดในมัชไม่ว่าจะทำมัชแงไหนพระองค์ฉลาดหมดก็แหละในบนัดนี้สาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ดําเนินตามมัชอยู่ ถ้าเป็นสาวกก็ปฏิบัติตามเนี่ยนะไม่ได้ล่วงละเมิดไม่ได้ประพฤติปฏิบัติคลาดเคลื่อนจากคําสอนอะไรเพราะฉะนั้นสาวกทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามมรรคที่พระองค์แนะนำเนี่ยจึงเป็นผู้ประกอบด้วยศีลลาที่คุณคือประกอบด้วยคุณคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ์ตรัสรู้อาริยมรรคแทงตลอดสามัญญผลเห็นแจ้งพระนิพพานตามพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้นําพวกฉะนั้นคําว่าพระองค์นิเสด็จจากภพดุสิตมาสู่ความเป็นพระคนาจารย์เนี่ยนะถ้าพูดถึงชาติก่อนหน้านี้ที่พระองค์จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์มาจากดุสิตความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจุติจากชั้นดุสิตทรงมีพระสติสัมปชัญญะลงสู่พระคันพระมารดา ด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าเสด็จจากภพดุสิตมาสู่ความเป็นพระคนาจารย์ น, นะออกจากดุสิตด้วยเขาเรียกว่าตอนที่ประสูตรจากคันพระมารดาเอ่อขออภยัยตอนที่พระองค์เนี่ยจุติจากดุสิตใช่ไหมปฏิสนธิในครันพระมารดาก็ก่อนจะจุติก็ดํารงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะและจุติเพราะพระองค์เนี่ยชื่อเอ่อจุติมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็เป็นผู้มีบุญมาก น, นะ ไม่ได้มาจากอบายเป็นต้นเลยแต่มาจาก น, นะสวรรค์เป็นที่น่ารื่นรมเนี่ยนะพวกเทวดาท่านกล่าวว่าดุสิตเทวดาเหล่านั้นยินดีพอใจชอบใจเบิกบานเกิดปีติสมนัตว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากดุสิตเทวโลกมาสู่ความเป็นพระคนาจารย์ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าเสด็จมาจากพบดุสิตมาสู่ความเป็นพระคนาจารย์เทวดานี่เขาดีใจกันมากเลยนะที่พระองค์เนี่ย คือเสตุเกตเทพบุตรจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเนมมาเกิดในพระขันพระนางสิริมหามายา